ต่างๆเหมือนพวกถัวพวกงาหรือผลไม้ต่างๆไปปลูกที่ไหนมะพร้าวมันก็เป็นมะพร้าวไม่เป็นส้มโอไม่เป็นมะม่วงแต่มะม่วงส้มโอเราไปปลูกที่ไหนก็เป็นส้มโอเป็นมาม่วงไม่เป็นมะพร้าวนี่พืชพันธุ์ต่างๆมันเป็นอย่างนั้นแต่เราเชื่อมันว่าเราเคยเกิดเป็นคนก่อนตายแล้วก็จะเกิดเป็นคนอยู่เรื่อยไปอย่างนี้เป็นทางที่ผิด คือคนที่คิดอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นจะทำอะไรก็ไม่กลัวตํำเบ็้ยไม่กลัวบาดกลัวชั่วเพราะตายแล้วก็จะได้เกิดเป็นมนุษย์อย่างเดิมอยู่แล้วเกิดเป็นคนอยู่อย่างเดิมอยู่แล้วมันเลยทาไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างใช่เชื่อว่าตายแล้วศูนนั่นก็อีกอะ่ะจะทาชิด ท, ทำชั่วขนาดไหนตายไปก็มนมีวันเกิดมันก็ดับศูนไปนี่ก็ชั่วย่าง เป็นบาปหนักเป็นกรรมหนักทรานพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างร้ายแรงไม่นควรที่จะเชื่อจิเลตันหาความขั่วเสียของใจในตัวของตัวอย่างนั้นควร น, นําแสงสว่างคือธรรมะมาที่จะรีนากันคนเราเกิดมาจากบุญจากกรรมตายแล้วถ้าหากไปหมดกิเลตันหา ไม่ไปจากในจิตในใจว่าเราละเราถอนเราตัดเราขาดพบภาพในตัวแล้วมันจะเกิดอยู่วันอย่างขํามจะปฏิเสธเท่าไหรก็เกิดเพราะเชื่อมันยังมีอยู่แล้วการเกิดของเรานั้นทุกท่านปราถนาเกิดในสถานที่ดีมีความสุขไม่ปราถนาจ ะ, จะเกิดได้ที่ชั่วในปราถนาความทุกข์ อยากลำบากอยากจนนี่คนทุกคนปรารถนาอย่างนั้นแต่การการทำมันไม่เหมือนกันคนเรามันจริงต่างกันถึงเกิดในคันมารดาอันเดียวกันพ่อคนเดียวกันแม่คนเดียวกันรูปร่างทางตัวผิวพันณวันณนะสติปัญญาผิดกันนี่แสดงว่าเกิดมาจากผลข้องจำ ดีดามารดาทุกคนไม่ปราถนาลูกของตนเป็นอย่างนั้นตามขั้วเสียต่างๆของลูกนั้นบิดามารดาไในว่าคนในเมืองในานาบ้านป่าบ้านดงเขาปราถนายาใจาเขาลูกของเขาดีมีสติปัญญาพูดถึงร่างกายถ้าเป็นสาวก็ อ, อยากทำเป็นนางงามก็โลกของจากรวาลไม่มีใครในโลกจะเสม่หเหมือนลูกสาวของเขา ก็อยากจะให้สวยเหนือคนในโลกถ้าเป็นลูกชายก็อยากจะให้รลอให้เลาให้สวยให้งามเหมือนกันในตองการปราดถนาลูกหญิงลูกชายสีสีที่สุดแต่มันเป็นไปตามใจของเราไม่ได้เพราะการรมของสัตว์ที่เกิดมามันผิดแปกแตกต่างกันตลอดถึงสติปัญญาบางคนก็งงเงาเต่าตุนบางคนก็ฉลาด แหลมคมทั้งทั้งที่พ่อแม่ปราธนาอยากจะให้ลูกต้องตัวดีวิเศษแต่มันเป็นไปตามตามป่าถนาในด้านข้อกรรมข้องสัตว์มันผิดแลกแตกต่างกันเราที่เจรณาท่านี้ก็ทราบได้ว่าทำดีความชั่วนั้นยังให้ผลทำมะของพระพุทธเจ้ายังไม่ชื้นไม่ล้าสมัยตามลมปากของคนถั่วไปยังดียังเด่น ยังเปรตเศด้วเศษคนใดที่ฝ่าฝืนเอากิเลตันหาเป็นศ า, ศาสด า, าสอนใจคนนั้นเขาไม่มีวันที่จะมีความสุขความสบายคนทั่วไปเขาไม่ไเลยเลื่อมใสศรัทธาไม่ปรารถนาอยู่ในกลุ่มใดหมู่ใดสังคมใดคนทั่วเพียงคนเดียวเถ่านั้นก็ทาให้ทัพกั่วกเก่ดนุูง สังคมเดือดร้อนถ้าคนดีมีศีลธรรมไม่เป็นอย่างนั้นจะอยู่รวมกันเป็นพันเป็นหมื่นตอไป น, นีอะไรทะเลาะบอกแหว่งกันก็ต่างท่านต่างคนต่างรักษากายวาจดใจใจคงตดชําระสิ่งที่ชั่วที่เสียอยู่สมเสมอตัวข้องตัวไม่ปราศรานชั่วไม่ทําไม่พูดไม่คิดเรื่องชั่วไม่ปราศรานชั่วจะไป ทำไปพูดไปคิดเรื่องชั่วความชั่วนั้นก็ไม่มีวันที่จะหมดหายไปจากกายวาจาใจเพาไม่ปรารถนาแต่ไปทําอยู่เหมือนกันกันกบเราไม่ปรารถนาทำโฉกระโปกโซมม์แต่ก็ไปเล่นของโฉกระโปกโซมมของเน่าของเหม็นสิ่งนั้นนั่นก็แบบปดเตือนกายของเราให้เน่าให้เหม็นให้ปฏิจูกวนใจตา ธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนมีเหตุมีผลเพียงแต่สีห่าแ่านั้นเราก็สะาดดีแบบถากโลกอันนี้มีสีห่าเดียวกันมันจะฝุกจะสงบขนาดไหนแต่ต้องหาตำรวจทหารมาร right? ักษาบ้านเมืองเพราะไม่เดี <deep> <nement> nee ๋ากันไม่เดี๋ยขโมยกันไม่เดีประเทึกนอกจิตนอกใจกันในวงครอบครัวไม่เดี๋ยโกหกพกลมกลอกลวง ตึงกันแลกกันไมด่ดีเป็นคนเมาคนบ้าโลกมันจะสงบเราอยู่ดีๆเดีย๋ยวนี้ถ้าหากไป่าเผืนผืนเขายังหาขอ้อนจะถ่าไปตีกันขึ้นมันจะนั่งอยู่สงบได้ไหมคนนั้นมาฟันคนนี้มายิงหรือพ้าปาลาระเบิดกับมานีมันจะมีความสุขไหมมันมีความสุขอะไร แต่คนสมัยใหม่เขานียอมชมชอบกันพูดกันยึงตระ ม, มาทธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งการสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่เขากลับจองกันข้ามทำพูดฟ้องเขาทำชั่วเอทำดีใด้ดีมีที่ไหนทำชั่วใด้ดีมีทิ้งไปมีเป็นภาษาสมัยใหม่ที่เขาพูดกัน ยั่วยุให้คนมืดบอดลุ่มหลงเลื่อยไปแต่นั้นพวกเราทุกคนควรสนใจประบัติปฏิบัติบุญกุศลท่านั้นแหละจะเป็นเพื่อนสองของเราใส้ไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้บาปอกุศลที่เราทำไปเหนือยใจบาจาใ จ, ใจไม่มี สิ่งใดจะมาให้ความสุดความจเจริญนี่จะจ ะ, จะทุกใจจะยากจรลํำาำบากเยือดร้อนเรืยไปคนเราไม่เหมือนูดผลอย่างอื่นอย่างที่อธิบายมาสามารถที่จะเกิดเป็นสัตว์ก็ได้เพราะความทั่วความเสียที่ตัวทำไว้ถ้าพูดตาม <c oughs> ตำนานนิทานต่างๆมันก็มีถมเถ ในทางศาสนาที่แต่เขียนเอาไว้เพื่อคือตาบอดพวกเรานี่แหละให้รู้จักว่าสิ่งนั้นทําไปแล้วได้รับผลอย่างไรสิ่งนี้ทําไปแล้วได้รับผลอย่างไรถ้าเราสนใจนํามาพี่นี่ที่เจริญนาก็าสามารถที่จะแก้ไขจีเลตันหากายใจของตัวในดีได้ น, นี่มียาอยู่สมบูรณ์ โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่หยิบยามารับทานมาทามาฉีดมารักษายากเ็เลยไมมีคุณค่าธรรมะของพระพุทธเจากก้าก็เหมือนกันเป็นของที่มีคุณค่าสาระสูงถ้าหากเรานํามาพิจารณาศึกษาปฏิบัติตามธรรมะของพระพุทธเจ้า ไม่ใช่ว่ามันโลยการผ่านสมัยไปนานขนาดนี้มันชั่วมันเสียมันไม่ดีมันเนา่ามันเสะยไปหมดทำทันสอนของผู้ใจจาไม่เป็นอย่างนั้นยังดียังทันสมัยยังไปเจิร์ยี่ศิยังสามารถถับโรคยคือคิเจริญตัญหาออกจากจายวายายใจได้ถานามารักษา นำมาปฏิบัติดังนั้นส่วนเราท่านมาทําบุญซุ้นทานกลุ่มนี้ก็อนจะถอดกระถิ่นเรื่องกระถินเป็นตาลาานคือกาหนดการเวลามีเพียงระยะเดือนเดียวเท่านั้นที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ถ้าเลยเดือนหนึ่งไปแล้วท่านก็ไม่อนุญาตปีหนึ่งมีโอกาสเพียงเดือนเดียว คนที่สนใจไฝ่ฝันอยากทำบุญอุศสนและพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติจึงจะทำได้ในใช่ว่าทำง่ายบางสกุลคาป่าสังฆทานทำเมื่อได้ได้จะในพรรษาหนอกพรรษาไม่กำหนดการเวลาแต่กระถินนี้ท่านอนุญาตให้เพียงเดือนเดียวถอนนั้น และก็ยากยุ่งอีกเหมือนกันพระที่จำพรรษาในครบห้าองค์เรีกครบห้าองค์แต่พรรษาขาดก็ไม่สามารถที่จะทําได้เรียกครบห้าองค์พรรษาในขาดแต่พระอยู่ในนั้นในสามารถที่จะทําให้ถูกต้องตามพระธรรมนิยมเพราะทำไม่ได้อีกเหมือนกันนอกจากนั้นเรามีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสอยากทําบุญฉุนทาน แต่เธอว่าไม่ใส่การเวลามันก็ทําไม่ได้หรือถูกกา ร, กรเวลาโรคไขยไข้เจ็บของมนุษย์มันมีเกิดโรคไข้เบียดเบียนหนักรเราเล่ามาไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้หรือเรามาได้ไ ม, มีสมบัติเราก็ทําไม่ได้มันยากลาบากแสนลําบากฉะนั้นกว่าจะทําได้เป็นการเป็นสมัย จึงควรเดื่อมใสศรัทธาจึงควรยินดีเต็มใจในการกระ ท, ทําบําเพ็ญของเราโชคดีจึงมีโอกาสเวลาใด้มาทําบุญคุณท า, านเป็นกระชินได้เพราะมันเป็นการเป็นสมัยระยะสั้นเต็นทีแต่นั้นก่อนเราจะทําหรือเราทําลงไปจึงควรทําความเลื่อมใสทําความเต็มใจทําความเยือกเย็นในการกระ ท, ทําบําเพ็ญของตน ในเกิดผลคือความสุขขึ้นจากจิตจากใจถ้าศาสนาจะยืนยงคงมาต่อเพราะอาศัยศรัทธาหยาดโยมเป็นผู้บำรุงพนุษฐนอมพ้าเจ้าพระสง์ท่านมาเด็กทำมาท่าถขายอะไรอาศัยหยาดโยมไมว่าอาหารการบริโภคตลอดผ่าหนุ่งผาห่มหยาดโยมทางนั้นมาบำรุงรักษาอยู่ดีวิหาร สาราลงทานต่างๆกริยาหัดยมเป็นคนทำให้ฉันจึงมีโอกาสเวลาศึกษา เ, าเรียนมีโอกาสเวลาปฏิบัติาศาสนามีพระมีเนรมาตลอดกระทั่งทุกวันนี้ภริยาหัโยมไม่ในนับถือไม่ได้เลื่อมไสไม่ได้เต็มใจไม่มีศรัทธาความม่อเข้าอย่างเดียวเท่านั้น พระก็อยู่ไมได้เพราะพระอาศัยหมอข้าวจากจากพวกโยมทางนั้นผูกขันกันไล่ง่ายไล่พระไม่ยากอะไรแต่การที่บา่าพระนั้นมันก็หายากเราทุกคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดอย่าไปคิดว่าทำบุญ เลือกหน้าไม่เกิดบุญเกิดกุศลทำบุญถ้าเป็นพ้าแล้วก็ทำไปได้ตลอดไปไม่ได้ตำหนิติชมคนนั้นคนนี้ไม่ได้ <c oughs> ตำหน้ใครจะเป็นบุญเป็นกุศลนั่นพระพุทธเจ้ า, จาสอนมีในตำหลับตำลาจริงแต่ขันสอนเพิ่งพระที่เป็นพระอาริยะเจ้า มันมีศีลบริสุทธิ์มีจิตบริสุทธิ์แต่ท้าสมัยปัจจุบันทุกวันนี้มันหายากจึงต้องดูให้ขี่ถ้วนเพราะสมบัติถสถานข้าของของเราเราหามายาก้วยด <c oughs> ย้าเหนี่ยนำแรงของเรากว่าจะได้มาเป็นเงินเป็นทองเป็นขา่าเป็นของมันแสนลบาบากเราไปทาในสถานที่ไม่บังควรไม่ถูก ที่สืกฐานของที่เราทำไปแทนที่จะเป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลแก่ตนข้องสนและเป็นผลให้ผูได้รับมีกำลังจิตกำลังใจะพื่ปฏิบัติาำระกิเลสปัญหาออกจากจิตจากใจมันไม่เป็นไตย่างนั้นเพราะพาเนเอนสมัยนี้มันมีมาก แต่หากว่ามีมากโดยปริมาณคุณค่าหายากต้องดูให้ทีท่วนรอบค้อบมันจึงจะไม่เสียจิตเสียใจภายหลังจิ่ทำไปเราให้สิ่งของแกะทะผู้ใหม่มีอาจมีทำก็เหมือนกันกันกบเราให้อาวุธแก่โจร สามารถต้นทำลายเหยียบย่งพระศาสนาให้สิบหายไปได้เพราะจะเพฤ่ิปฏิบัติเจตระรานขนาดไหนเขาก็ยังมาให้จะไปปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำไมทำไปอย่างไรเขาก็เลื่อมใส่เขาก็ศรัทธาอยู่นี่เป็นอันว่ารวมการทำลายศาสน า, าทั้งพระทั้งโยมต้องเลือก ขาดจัดหาที่ยาจนาให้ทีทุน่นถ้าหากเราทำถูกต้องมันก็เกิดบุญเกิดกุศลแก่ตนท่องตนมากมายของทุกอย่างอาศัยคนมีปัญญาจึงจะสามารถได้รับผลรับประโยชน์เท่าที่ควรถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วทำอะไรมันก็ผิดพาดเสียหาย พระก็เหมือนกันคนมีปัญญาเท่านั้นจะทราบเรื่องของพระคนทีม่มีปัญญาเห็นผ่าเลีง้งเลี้ยงศีรษะหลอนโลนกพระกันทั้งนั้นการไหวเยี่ยมใสเต็มใจทั้งนั้นคนแบบนั้นแหละบ่อนทําลายศาสนาทําความเสียหายในใจถ้าทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะตาไม่ดูหูไม่ฟังใจไม่คิดว่าผิดถูกดีชั่วอย่างไรแต่นั้นเราทุกคน ยงควรรักษาไวสึ่งศาสนาพี่เจนะตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทีท่วนจะทำอะไรลงไฟเป็นอดเป็นภัยก็อย่าให้มันเสียใจภา ย, ยหลังแต่เราในทำในทีถูกที่ดีมันเกิดสาระประโยชน์ให้ทำสอนทากก่านพุทธเจ้าวันนี้เป็นภาษิตเป็นบาลีกาเอา ว, วิเจยะทานนางดาตบางัง ยาถาดินนางมหาพลังให้เลือกให้ถูกควรให้เพราะถ้าเลือกถูกต้องผลขี่เราให้ไปจะมีอานิสงส์มากหนีพระพุทธเจา้จาตักเอาไว้ไม่ใช่ว่าเห็นอะไรก็เกห ม, ม, ม, มือนกันหมดมันไม่เหมือนกันแต่คนเราก็มมนเ็ยังไม่เหมือนกัน คนสูงคนต่ำคนดำคนขาวคนสวยคนงามคนจี่ริ้วขี้เหล่มันมีใระจาพระสงฆ์ก็เหมือนกันเราจึงเลือกหาควรทบว่าจะควรเป็นครูเป็นอาจารย์ควรทำบุญพื้นฐานไหมก็ต้องใช้สติปัญญาที่นี่พิเจานาะให้รอบคอบจึงจะได้ชื่อว่าพุทธภาษาทะนี้แก่ชนพุทธคือถูรู้ คนผู้ไม่ใชส่วนคนผูห้หลงทางหลงอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่มีวันมีเวลาเด็ถึงจุดหมายปลายทางได้ต้องอาศัยความรู้ที่นิพิยนานตามสติปัญญาของตัวในใจก็ไปถามถูอต่อไปให้ถันอธิบายให้ถันแนี่สอนให้มีเรื่องของศาสนา มันก็เหมือนกันกับของทังโลกถึงจะเป็นพระมันก็ผิแปกแตกต่างกันไม่ใช่ว่าจะดีทุกท่านทุกองค์ทุกวัดทุกวัดความเหลื่อมใสศรัทธาของคนมากหน้ามาตาว่าท่านจะดีจะเด่นมันก็เอาจิ ง, เ อ, จ ง, เ, อจงเอาจังอีกไม่ได้เหมือนกันของเน่าของเหม็บแมลงวันมันก็ยังชมเราต้องพิจารณาให้รู้ให้ทีทวนวในจิตในใจ พระโลกอันนี้มันส่องอาศัยคนมีปัญญาเท่านั้นที่จะได้เกียรถูกต้องในการถูกการทำาั้งตัวหาคนไม่มีสติไม่มีปัญญาแล้วมันก็ไม่มีสาระประโยชน์อะไรให้จะมีจานวนมากเท่าไรมันก็ไม่เกิดประโยชน์อาหารสังเร็จรูปมาในถ้วยในจานมันก็มีตัง้งมีกระดูก ไม่ใช okay, ่่ะก็าทาเสร็จมาแล้วจะทานได้ทุกสิ่งทุกอย่างไปสิ่งที่เป็นทิศเป็นไทยเราก็ต้องเลือกออกก็าทานลงไปมันจะไปจิตคอตายนี่เรื่องการทำบุญซ้มทานควที่มีสติปัญญากวาสามารถที่จะหาเหนื้อนาบุญได้ถูกต้องสุทีปริเสศปฏิบัติ เป็นนักบวชต็ทำ น, นองเดียวกั น, น, นจะต้องมีสหติปัญญารักษาจิตใจของตัวจิตใจเชื่อดือร้อนมันเกิดจากสาเหตุอะไรทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรใจจึงเป็นใหญ่จะ ต, ต้องมีปัญญาที่เจรนาตัวไม่อย่างนั้นรักษาใจให้ส ง, งบเย็นไม่ได้จีเดียบเป็นหัวเราะย่ออยู่ตลอดเวลา้ากมีปัญญาทีเดียบกลัวนี่กันจะทำบ่มเพน ทางภายในก็ต่องอาศัยสติปัญญาละเอียดเข้าไปตามเรื่องของจิตของใจที่เระพื่อปฏิบัติแตนั้นเราวันนี้คือเ <c oughs> ดี๋ยวมารวมกันฟังธรรมะจะหาที่อธิบายไปสิ่งใดที่ควรเว้นแต่เป็นของสั่วของเสีย ของเน่าของเหม็นเราควรเว้นควรชำระอย่าไปทําไปผูดไปคิดเพราะเรายังมีจิตจิตเต็มไปด้วยชีเรียจะต้องมีการเกิดอีกต่อไปความเกิดอีกของเร า, าเท่านความชั่วความเสีย น, นี้ถึงไม่ปราถนาะว่าอยากจะไปเกิดในที่ชั่วที่เสียมันก็เป็นไปได้เหมือน ก, นกันกับคนทำชั่วอยู่ในปัจจุบันถึงเขาไม่เชื่อว่าตารางนี้ ห่องถังมีทำไปไม่มีใครจะเห็นตัวไม่มีใครเขาจะสามารถจับได้ถึงเขาไม่เชื่อคนอื่นเขาห้ามว่าทำไปอย่างนั้นนั้นผิดกฎหมายเจ้านายมาเห็นเขาจะจับกลุงกรุมถังนะไม่เชื่ออยู่เท่าไรก็าตามแต่เขาทำชั่วคนนั้นไม่เคยเห็นห้องถังไม่เห็นตารลงเขาก็จะไปเห็น้วยตัวของเขาเองพอผลชั่วถือก็ทานาเขา้เขาไป คนดีๆอย่างพวกเราต้องขออนุญาตผ่านประตูบางทีเขาไม่หเขา้าเพราะเหตุใดเพราะสถานที่นั้นเขาไม่อยากให้คนดีเข้าไปแตคนดีเข้าไปกะมัน ไ, นไนม่เหมาะไมสมเราจึงไม่อยากจะให้เข้าไปคนชั่วมีสิทธิ์อยู่ได้ในตารางถึงอยากจะออกมานอนบ้านนอนเรียน ทานอาหารอย่างนั้นอย่างนี้อยากไปดูหนังฟังเพลงที่ไหนเขาก็ไม่ปล่อยไปเพราะคนชั่วคนเสียนั้นมีผู้คุมขังมีผู้ดูแลรักษาไม่ได้ไปต่เป็นอิสระของตัวแต่คนดีทั่วไปจะไปที่ไหนไปได้นี่คนดีคือคนมีศีลธรรมมีบุญมีกุศลก็ทำนองเดียวกัน เรามีบุญมีติ๋วสนอยู่ในตนของตนอยากจะได้เกิดที่ไหนตักบุญใดอยากจะได้เกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพธิดาอินทร์ที่ไหนก็ไปได้ถ้าเรามีบุญมีตุ๋วสนมีคุณคุณงานความดีของตนมันไปได้แม่อยากจะพ้นจากทุกข์แม่กลับมาเกิดอีกในภพต่อไปภพทั้งสามมันก็ได้เพราะเหตุใดเพราะจิตใจมันหมดเชือ้อ ที่จะเกิดมันเป็นไปได้มีการฝึกจิตรอารมใจจึงเป็นเรื่องสำคัญการเกิดการแก่การเจ็บการตายเราเคยเห็นเคยเป็นมาทุกคนเคยพบประสบมาทางนั้นโลกอันนี้ไม่มีอะไรที่ผิดแปแกแตกต่างกันในปัจจุบันหรืออดีตอนาคตไม่มีอะไรที่ควรรื่มหลงว่ามันสมุกสุขสบาย มันเถิดมันเทินเถ อ, อะไรหรอถ้าพิจารณาตามธรรมะมันจะเห็นธรรมะถ้าไม่ทพิจารณาตามธรรมะมันก็จะหลงอยู่ตลอดเวลาแต่นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงได้หล่าวไวห้ห่อเหมือนยาคนที่มีเจลิตปัญหาเหมือนคนไข้ถ้าหากคนใดไม่นำยามารักษาคนนั้น การป่วยไข่ของเขาไม่ใช่ไขวัดธรรมดามันไข่ต้องรักษาโดยยาเึ้นจะหายถ้าไม่รักษาแล้วไม่มีวันหายโรคแบบนี้จะต้องอาศัยยาคนที่มีกิเลสตัณหาแบบพวกเราเราทัน่ันต้องอาศัยธรรมะที่นี้พิจารณาสำลักกายใจทอ้งตัวเชีนนั้นธรรมะจึงเป็นเรื่องจำเป็น ที่เรายังมีจิเลตัญหาอยู่คนที่ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะคนนั้นจะมีความสุขความเยือเยน็นอยู่ในสถานที่ใดไม่เป็นภัยอันตรายเป็นสุดคาโต้เมื่อเวลาอยู่เป็นสุดคาโต้เมื่อเวลาไปไม่มีทุกคาโตเกิดขึ้นอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุข จะไปสถานที่ใดใครก็ปาถนาไม่มีคนนินทาขับไล่เพราะความดีของเขามีหรือไม่อย่างนั้นจะย่นเข้ามาเป็นธรรมาทิฐานจิตใจของท่านเบิกบานสงบเป็นสุขโตอยู่ตลอดเวลาใครจะนินทาสันไลเสรินเป็นสุขโตเสมอไม่มีอะไรที่จะรบกวนจิตใจ ว่าเขาดูหมิ่นมินทาอย่างนั้นอย่างนี้เขาได้เสรอย่างนั้นอย่างนี้ควรยินดีควรอยู่กับเขาไม่เป็นอย่างนั้นท่านสะอาดหมดจดเพราะการํำระจิตเลสัญหาออกจากจิตจากใจของท่านมีหมายถึงผูป้ปฏิบัติทางอาัตธรรมเขาถึงทมามะมีความสุขความสบายฝ่าเริ่องอยู่ในจิตในใจไนเหมือนพวกเรา ห้อยเงาเจ้าจุกชิดอย่างนั้นปรุงอย่างนี้ช่างทั้งที่มีอยากมีกินมีหนุ่มมีหม่มมีหลับมีนอนแต่กว่านอนไม่หลักกินไม่ได้เพราะกิเลสมันลบปวนใจเรายังอย่าไปเห็นใครของกิเลสอยู่หรือสองที่นิสเจนาชำระใจของตัวคนสต่างหน้า่างตาชำระตัวของตัวจากชั่วบำเพ็ญดีมีจิตสงบ เย็นคนนั้นเนี่ยเกิดมาเป็นกำไรของชีวิตมีจิตใจเบิกบานหยิมแยมแจม่มใสอยู่ในสถานที่ใดกอสุขกอสงบแต่นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงไมล่ล้าสมัยจึงควร น, นำมาประพฤติปฏิบัติสัมภารกายใจของตนเมื่อต่าง่านต่างคนใดรดับดฟังธรรมะอย่างเสียที่บายมานี้ จงนำไปพิณิชพิเจนะหากว่าเป็นสิ่งผิดถูกต้องดีงามแล้วก็ควรนำไปประพฤติปฏิบัติเพียงฟังไม่นำไปประพฤปฏิบัติก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้ต้องปฏิบัติจึงจะเกิดผลเกิดประโยชน์ธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของมีคุณค่าสาระกับมนุษย์ทั่วไปทันไม่ได้ผ <c oughs> ูกขาดไปว่า นักบวชแถานั้นจะมีโอกาสเวลาประพฤติปฏิบัติกํจาจัดกิเลสตัณหาชราวาดไม่มีโอกาสเวลาที่จะบําเพ็ญเพราะว่านะท่านไม่ได้หักห้ามไม่ได้ปูกถายเมื่อเป็นเส่นนั้นเราทุกคนจึงมีสิทธิ์ที่จะประพฤติปฏิบัติได้ทั่วกันหมดไม่ว่าเป็นหญิงเป็นชายขอสําคัญขอให้นําธรรมะไปที่นิทิตยานาศึกษาต่างหน้าต่างตาประพฤติปฏิบัติ คนนั้นก็จะมีความส ง, งบส ง, งดัดมีความเย็นความสุขภายในใจของตนด้วยอำนาจธรรมะที่อธิบายมา <c oughs> ขอจงคุ้มครองรักษาพุทธาสนาะะนี้ไก่ชนจได้รับความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าวฟ้องสงวนเกียเวลาพ อ, อยุติธรเหนนี้เอวัง